50 languages. คำสันธานส c o n j u n c i o n s ดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Am l e v o tanaviat c o m s o n a l d e s p e r t a d o ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสืออตดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบหลังการได้ทำงานยอดตำแหน่งสูคุณจะโทรมาเมื่อไรวร ทันทีที่ดิฉันมีเวลา n a v a com tingi tems เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา l i t r u a u a n t tems คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ f i n s h u a n t r b a l a r e u ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ t r b a l a r mentrepugi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 แทนที่จะกลับบ้านเอลอัสตาสากุตัลบาอันยักดานาคาซาเท่าที่ดิฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่แปลกดีย์เซเอลบิวากีเท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบายแปลกดีย์เซลาเซบาดานาสตามาลัลตา เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน Pel que yo sé ell està a la Tour ดิฉ <t> ันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉัน <ell> ก็จะตรงเวลา m'he adormit si no hauria arribat a temps ดิฉันพลาดลดเมไม่งานดิฉันก็จะตรงเวลา He perdut l'autobús ดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาโน้ตรู a ัตอัลคา i ีซีโน่ h a า r ร a arribat a เตม